สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการทำและทัศนาชีวิตผมวสินนทัศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังพระพุทธองค์ทรงเล่าเรื่องของพระองค์ที่ทรงบารบการออกป่วยไปศึกษาในสำนักของอาจารย์ทรงบำเพ็ญทุกขา ร, ร ก, กิริยาอย่างเข้มงวด แล้วก็เข้มงวดอย่างจริงต้องอดกั้นต่อทุกขเวทนาแสนสาหัสพระทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตจนได้บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อทรงเล่าจบลงแล้วสัจกานิครนได้ทูลถามได้ทูลถามว่า ทรงหลับกลางวันบ้างหรือไม่รับตอบว่าหลับบ้างเหมือนกันแต่ก่อนจะหลับทรงมีสติสัมปชัญญะไม่ได้หลับอย่างพูดหลงหรือมัวเมาในความหลับศาสตราการณนิครนทูลว่าสมณพราหมณ์บางพวกเขากล่าวกันว่าการนอนหลับกลางวัน เป็นการอยู่ด้วยความหลงพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าบุคคลชื่อว่าเป็นผู้หลงด้วยเหตุเพียงเท่านั้นก็ห้ามไม่เรากล่าวว่าใดยังละอาสวะคือกิเลสไม่ได้ผู้นั้นเป็นผู้หลงผู้ใดละอาสวะได้แล้วผู้นั้นไม่เป็นผู้หลงแต่ถาคดเป็นภูรัสอาสวะได้หมดแล้ว จึงเป็นผู้ไม่หลงอย่างแ น, น่นอนัจการนิครนทูลสันเสริญพระสัสดาว่าแม้เขาจะพูดจากระทบกระทั่งแต่พระสัสดาก็ยังมีผิวพันธุ์ผ่องใสมีสีพระพักร์เป็นงปลัง่งสมกับเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้เขาจำได้ว่าเคยสนทนากับครูทั้งหก มีปูรณะกะจัจจปะเป็นตน mm hmm. เมื่อเริ่มสนทนา mm hmm. ก็เอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกื่อนเสียและแสดงความโกรธความไม่พอใจให้ปรากฏทัศการนิคนทูลลาไปด้วยความพอใจอย่างยิ่งนะครับด้วยความพอใจอย่างยิ่งนี่ก็เป็นข้อความจาก จุและัจจกสูตรและมหาสัจจกสูตรในมัชฌิมานิายนะครับก็คิดว่าให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่พระปุมีพระภาส่งสนทนากับสัจจการนิครนและก็สามารถเอาชนะสัจจการนิครนได้ทีนี้ก็มีเรื่องจะต้องวินิจฉัยอยู่บ้างนะครับเช่นในเรื่องที่สัจจการนิครน ว่าต้นไม้และพืชพันธ์ทั้งหลายจะเจริญงอกงามต้องอาศัยพื้นดินว่าการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่มนุษย์ทำต้องอาศัยพื้นดินฉันใดบุคคลอาศัยรูปเป็นต้นซึ่งเป็นตัวตนแล้วก็มีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนจึงมีบุญมีบาปได้ถ้ารูปเป็นต้นไม่เป็นตัวตนแล้ว บุญบาปจะมีได้อย่างไรหรือว่าบุคคลจะรับบุญรับบาปได้อย่างไรอันนี้น่าสนใจน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แคเกี่ยวกับเรื่องกรรมกับอนัตตาเด็กนะครับหรือว่าถ้าสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาแล้วบุญบาปจะมีได้อย่างไรใครจะเป็นผู้รับ ผลบุญผลบาปที่กระทำเพราะเพราะว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนผู้กระทำอันนี้ถ้าจะตอบให้สั้นที่สุดก็คือว่าบุญบาปมันก็เป็นอนัตตาเหมือนกันอนัตตาในซิกของโลกิยะนี่นะครับคือเป็นไปตามเหตุปัจจัย หมายความว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยบุญบาปก็เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยมีเหตุปัจจัยปรุงเป็นสังคต ธ, ธรรมเป็นสังคต ธ, ธรรมวันรูปเปรนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นสังคต ธ, ธรรมเป็นอนัตตาเหมือนกันเพราะนั้นอนัตตากับอนัตตากิงเข้ากันได้รับกันได้มันเป็นอนัตตาด้วยกัน ไม่ใช่ว่าบุญบาปเป็นอัตตาแล้วก็บุคคลเป็นอนัตตาหรือรูปเป็นอนัตตาหรือว่ารูปเป็นอัตตาบุญบาปเป็นอนัตตาอะไรอย่างนั้นไม่ใช่มันเป็นอนัตตาด้วยกันมันก็เลยเข้ากันได้ทีนี้ก็ถ้าจะถามว่าในการรับบุญรับบาปในชาติต่อไปในชาติหน้า ่รูปนี้หรือว่านามารูปนี้เป็นผู้รับหรือว่านามารูปอื่นว่าถ้านามารูปอื่นเป็นผู้รับก็คล้ายกับว่านามารูปนี้เป็นผู้ทําแต่นามารูปอื่นเป็นผู้รับเลยจะพูดกันให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆว่าคนนี้เป็นคนทําแต่ว่าคนอื่นเป็นคนรับ เพราะว่าไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าคนคนเดียวกันหรือรนำมารูปนี้เป็นผู้รับหรือว่าคนคนนี้แหละเป็นผู้รับอันนี้จะตอบอย่างไรในในภพหน้าในภพหน้าทางพุทธศาสนาก็เห็นว่าถ้าบอกว่า นำมารูปนี้คนนี้เป็นผู้รับบุญบาปในโลกหน้าก็จะเป็นสัาจทิฏฐิคือเห็นว่าเที่ยงยังหยูดแต่ถ้าเห็นว่าไม่มีผู้รับในโลกหน้าก็จะเป็นอุเฉธทิฏฐิคือเห็นว่าขาดสูรเห็นว่าตายแล้วขาดสูรไม่มีผู้รับบุญรับบาป แต่ที่นี้ตามทัศนะของพุทธศาสนาตอบว่าไม่ใช่นามารูปนี้ไม่ใช่คนนี้แล้วก็ไม่ใช่นามารูปอื่นหรือไม่ใช่คนอื่ น, นเป็นผู้รับแต่ว่าอาศัยนามารูปนี้นามารูปอื่นเกิดขึ้นว่าอาศัยรูปนี้เวทนานี้สัญญานี้สังขานี้วิญญาณนี้แล้วก็ นามารูปปืเกิดขึ้นเป็นการเชื่อมโยงกันโดยสัน ต, ติความสืบต่อความสืบต่อหาเปรียบเหมือนว่าเราเรียนหนังสือชั้นประถมแล้วก็มาถึงบัดนี้ประกาศนียบัตรชั้นประถมนั้นก็ยังอยู่เขาให้ไปรับรองเอาไว้ว่าบุคคลผู้นี้เป็นผู้สอบได้ประมบริบูรณ แล้วก็ต่อมาก็ไปสอบได้มัธยมปริปญญาแล้วตอนนั้นดูรูปถ่ายหรือดูมก็ยังเป็นเด็กๆอยู่เราถือว่าเราเมื่อเรียนอยู่ชั้นมัธยมเมื่อเรียนอยู่ชั้นประถมเป็นคนเดียวกันกับเวลานี้ซึ่งอายุ40 50หรือเปล่าถ้าเอารูปถ่ายมาดูมันก็เป็นคนละคนกันไม่ใช่คนเดียวจาไม่ได้เลยคนละรูปกันไปเลย เขา อ, อาจจะมีพระพิมพ์ประปัยใกล้ครึงพอให้ดูออกแต่ว่าไม่ใช่คนเดียวกันแต่ว่าประกาศนิยบัตินั้นก็ยังใช้ได้การนยบัตินั้นยังใช้ได้เขายังเป็นไอเดนต t ต้อยู่คือว่ายังเป็นยังเป็นสิ่งเหมือนกับว่าเป็นสิ่งเดียวกันอยู่นี่ ถ้าจะให้ตอบตามหลักพุทธก็คือว่าไม่ใช่คนเดียวกันและก็ไม่ใช่ไม่ใช่ต่างกันไม่ใช่คนละคนและก็ไม่ใช่คนเดียวกันแต่ก็ไม่ใช่คนละค น, นะหรือว่าจิตหาจิตของเราที่มีอยู่ในชาตินี้กับจิตของเราในชัดหน้าเป็นดวงเดียวหรือคนละดวงเป็นอันเดียวกันหรือคนละอยา่าง คำตอบก็คือว่าณ่าจะตั ง, ไ ม, นนง ไ, มไม่ใช่อันนั้นน่าจะอันยังไม่ใช่อันอื่นไม่ใช่อันนั้นแล้วก็ไม่ใช่อันอื่นแต่ว่าอาศัยอาศัยสิ่งนั้นสิ่งอื่นก็เกิดขึ้นอาศัยเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นการสืบต่อมีสันติให้สืบต่อไกลมะม่วงโลกมะม่วง ต้นมะม่วงแล้วก็มีลูกออกมาแล้ต่อมาเราก็เอาผลมะม่วงนั้นไปปลูกมันก็งอกเป็นต้นขึ้นมาถามว่าต้นมะม่วงนี้เป็นต้นเดียวกับต้นเก่าหรือคนละต้นมันก็จะตอบว่าต้นเดียวกันก็ไม่ได้จะตอบว่าคนละต้นเสียทีเดียวก็ไม่ได้นะคลับอาศัยต้นเก่าต้นใหม่เกิดขึ้นว่านมสด ที่เปลี่ยนเป็นนมส้มจะเป็นเป็นนมอย่างเดียวกันหรือเป็นนมคนรอยา่าง น, นี้ปัญหาเราเนี่ยครับสิ่งเราเนี้ยเป็นเป็นเครื่องเปรียบเทียบได้กับเรื่องคนผู้ทํากรรมในชาตินี้กับบุคคลผู้ที่รับผลในชาติหน้าหรือว่าทํากรรมเมื่อเป็นเด็กและมารับผลเมื่อเป็นผู้ใหญ่ หรือทำกรรมเมื่อเดือนที่แล้วมารับผลในเดือนนี้ทำกรรมในปีที่แล้วมารับผลในปีนี้ทำกรรมในปีนี้ไปรับผลในปีหน้าก็ทำหนองเดียวกันคือว่าไม่ใช่คนเดียวกันแต่ไม่ใช่คนละคนแต่ก็อาศัยสันติความสืบต่อนั่นเองคิดว่าคิดว่าปัญหานี้คงคงแจ่มแจ้งนะครับ เ, เรื่องสัจจการิคนที่ผมพูดมานี้พิเคราะห์ดูแล้วสัจจการิคนนี้เป็นคนที่เ อ, อมีปมเขื่องมากมีปมเขื่องแต่ท่านองตนว่าเป็นผู้ที่มีปัญญามากแล้วก็ไม่มีใครที่จะเทียมถึงไม่มีใครที่จะโต้วาทะกับเขาได้และคนที่ มีปัญญาแล้วก็ถ้านงตนในความเป็นผู้มีปัญญาก็จะถูกคนที่มีปัญญาเหนือกว่าปราบแต่ถ้าเผื่อไม่เก็บปัญญาไว้ให้ดีคือว่าไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักใช้ในกล่าวที่จาเป็นเหมือนมีมีดคมแล้วก็ไม่ใส่ฝักไว้ให้ดีว่าเที่ยวชูมีดชูดาบ คมวาววับอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นจะต้องโดนคนที่มีปัญญาเหนือกว่ามาปราบแต่โดนคนที่เขามีปัญญาแท้จริงก็มักจะเก็บปัญญาเอาไว้แล้วก็จะแสดงปัญญาเมื่อจําเป็นเท่านั้นมันก็มีมีดคมมีดาบคมแล้วก็ใส่ฝากไว้มิชิดนานๆเมื่อมีโอกาสจําจเป็นที่จะนำออกใช้ก็นำออกใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยปกติก็คนที่ฉล า, าดแบบนั้นก็จะไม่แสดงตนว่าเป็นคนที่มีความรู้มากเป็นคนเฉลียวฉล า, าดมีปัญญาแต่ตรงเงินข้ามกับเป็นคนท่อมตนเมื่อมีโอกาสเหมาะจึงจะแสดงสติปัญญาความรู้ความสามารถของตนออกมาแต่โดยปกติแล้วเหมือนกับคนโง่ ถ้าทำตนเหมือนกับคนโง่นักปราชส่วนมากก็มักจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคนที่มีปัญญาไม่แท้มีปัญญาเทียมก็มักจะ เ, เที่ยวโอ้โหปัญญาสติปัญญ า, ญญาแล้วก็แสดงปมเคืองยามีปมเคืองแบบจัการานิครนนะครับแล้วก็ไป ได้รับคำสอนที่ดีจากพระพุทธเจ้าก็เลยปมที่เคยมีอยู่นั่นก็หายไปหายไปหรือว่าลดลงลดลงก็กลายเป็นดีหมายความว่าได้รับคำสอนที่ดีที่ถูกต้อง